เมื่อที่ที่แล้วนะมีเหตุการณ์เล็กๆเหตุการณ์หนึ่งจะว่ามันเล็กก็คงไม่เชิงนะแต่ว่ามันไม่เคยเป็นข่าวเท่าไหร่เกิดขึ้นในประเทศอเมริการถนักเรียนเนี่ยบรรทุกนักเรียนเต็มคันรถเลยนะนักเรียนกระดับประถมเนี่ยพานักเรียนกลับบ้านคนขับนี่ก็เป็นคุณป้านะในอเมริกานี่โชเฟอร์นี่ก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชาย ขณะนี่กาลังขับอยู่เนี่ยบอกว่าแกเริ่มอาการไม่ดีแล้วก็เริ่มจะชะลอแต่ว่ารถเนี่ยลดความเร็วไปได้ไม่เท่าไหร่เพราะคุณปากก้าแกก็ฟุบลงนะเข้าใจว่าโรคหัวใจพอฟุบเนี่ยนะรถมันก็เริ่มจะแสบสายแล้ะปัดไปปัดมาเด็กนักเรียนทั้งรถเลยนะร้องกรีดเลยนะ ตกใจนะเพราะว่ารถก็ยังเร็วอยู่แล้วก็มันก็ไม่ค่อยเป็นที่เป็นทางเท่าไหร่แล้วรถปัดไปปัดมาเนี่ยใคที่เด็กในรถนี่กำลังร้อ ง, องตกใจเนี่ยมีแต่ผู้ชายคนหนึ่งนะอายุสิบสามกก็นั่งอยู่ประมาณแถวที่ห้านะจากประตูเนี่ยเกรีบลุกเลยนะรีบลุกแล้วก็วิ่งไปที่คนขับ แล้วก็จับพวงมาลัยเพื่อบังคับให้มันไม่ปัดไปปัดมาแล้วแกก็เหยียบนะเบรกค่อยๆเหยียบนะบอกว่ารถเนี่ยสามารถจะหยุดได้โดยที่ไม่เกิดอันตรายแม้ไม่ได้ชนสาไฟฟ้าไม่ได้ชนรถที่สวนมาเด็กทั้งรถเลยนะซึ่งมีประมาณ50คนได้เนี่ยปลอดภัยนะ คนก็ชื่นชมเด็กคนนี้มากที่ว่าเป็นเหตุการณ์เล็กๆเพราะว่าไม่มีใครตายแต่ถ้าเกิดมีคนตายขึ้นมานี่มันจะกลายเป็นข่าวใหญ่เลยนะแล้วที่ข่าวซึ่งควรจะเป็นข่าวใหญ่ซึ่งเกิดจะเป็นข่าวใหญ่แต่มันกลายเป็นข่าวเล็กเนี้ยก็เพราะเด็กผู้ชายคนนี้นะจะช่วยกอบกู้สถานการณ์เอาไว้ได้จะทํานี้ได้ต้องมีสตินะ เขาจะมีสติเนี่ยนะโอ้มันขวัญจะเสียเพราะว่ารอบตัวนี่ก็มีเสียงกรีดร้องคนเราเนี่ยวเวลาอยู่ท่ามกลางเสียงกรีดร้องเสียงตกใจเนี่ยบางทีก็เผลอตกใจไปด้วยนะแต่คนนี้นี่เรียกว่าใจแข็งนะใจแข็งนี่นี่ถือเข้มแข็งหมายความว่าไม่หวั่นไหวใจกับเพื่อน ง, ง่าย แล้วแกก็รู้นะว่าควรจะทำอย่างไรก็มีคนถามนะเด็กคนที่ว่าทำไมรู้ได้ไงว่าต้องไปจับพวงมาลัยแล้วก็เหยียบเบรกแกบอกว่าก็สังเกตไงนั่งรถคันนี้หรือว่านั่งรถโรงเรียนมาหลายครั้งก็สังเกตคนขับว่าเขาออกรถยังไงนะแล้วก็เขาหยุดรถยังไง่อเด็กคนนี้เนี่ยนอกจาก จะมีสติดีแล้วเนี่ยก็ยังเป็นคนที่ช่างสังเกตเด็กบางคนเนี่ยขึ้นรถนี่ไม่ได้สนใจนะว่าคนขับรถเขาขับยังไงเอาแต่จ้องดูโทรศัพท์มือถือนะหรือไม่ก็คุยกันแต่เด็กคนนี้ก็เป็นคนเรียกว่าช่างสังเกตนะอะไรที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแต่ละวันนี้ก็ก็ใส่ใจรับรู้นะแต่ที่ สำคัญกว่านั้นนะคือการมีสตินะเพราะว่าถึงจะรู้ว่าจะหยุดรถยังไงจะบังคับรถยังไงแต่ถ้าสติแตกนะมันลืมหมดนะคนก็รู้นะว่าเวลารถยางแตกนี่อย่าเหยียบเบรกแต่ว่าหลายคนเนี่ยพอขับรถแล้วยางแตกนี่เหยียบเบรกทันทีเลยไม่ใช่ไม่รู้นะว่าการเหยียบเบรกเนี่ยมันอันตรายเพราะทำให้รถพลิกคว่ำได้จะ่มันขาดสติ ไอ้ที่รู้เนี่ยมันลืมหมดเลยแต่เด่วคนนี้เนี่ยนะมีสตินะต้องน่านับถือมากซึ่งมันก็คงจะไม่ใช่สติที่มาเฉพาะเหตุการณ์นั้นนะก็คงจะมีสติที่สะสมมาอยู่เรื่อยๆไอ้เรื่องคนขับรถนี่เกิดหัวใจวายหรือเป็นลมหมดสตินี่มันเกิดขึ้นบ่อยนะมีครอบครัวหนึ่งนะ พ่อแม่ลูกนั่งรถไปต่างจังหวัดที่บ้านนี้ก็มีคนขับรถนะก็อายุมากพอสมควรนะหกสิบแล้วหกสิบกว่าคนที่เป็นพ่อก็นั่งอ่าเบาหน้าใกล้คนขับภรรยาแล้วก็ลูกเนี่ยยังเล็กอยู่เลยนะก็นั่งอยู่เบาะหลังระหว่างที่อ่ขับรถอยู่เนี่ยซึ่งก็เร็วนะเพราะต่างจังหวัด คนขับเนี่ยเกิดหัวใจวายหัวใจวายเลยนะล้มฟุบกับพวงมาลยนะแล้วก็เท้านี่ก็เหยียบคันเร่งมือคนนั้นให้ตกใจเลยนะแต่พ่อแม่นี่ตั้งสติได้ที่จริงแม่จะไม่ค่อยอได้สติเท่าไหร่แต่พ่อนี่ก็ได้สติแต่จะทำยังไงอ่ะนะเพราะว่าคนขับนี่เขา มือก็จับพวงมาลัยตัวก็ฟุบอยู่หน้าพวงมาลัยอยู่กับพวงมาลัยและเท้านี่ก็เหยียบคันเร่งตัวสามีหรือผู้ชายเนี่ยจะพยายามที่จะเหยียบเบรกก็เหยียบไม่ได้แล้วก็ถ้าเหยียบเบรกขณะที่คันเร่งก็ยังเหยียบมิดนี่มันก็อันตรายมากถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ทํำยังไงนะ ราว่าสามีเนี่ยก็ได้สติขึ้นมาก็เลยนะขยับขยับบอกของคนขับให้มันถอยหลังไปสักหน่อยจะได้มีที่ให้ตัวเองเนี่ยยืนเท้าเนี่ยนะไปเหยียบเบรกได้แต่ก่อนที่จะเหยียบเบรกเนี่ยก็ต้องปล่อยให้เท้าของคนขับเนี่ยมันถอนออกจากคันเร่งเพราะนั้นการที่ขยับ เบาเนี่ยให้มันถอยลงไปเนี่ยมันก็ทําให้คนขับเนี่ยซึ่งเท้ากําลังเหยียบคันเร่งอยู่เนี่ยมันก็คลายตัวลงนะพอเท้านี่คลายจากคันเร่งเนี่ยมันก็เริ่มชะลอละแล้วแล้วในเดียวกันก็มีช่องมีช่องว่างนะที่จะให้สามีเนี่ยหรือผู้ชายเนี่ยยื่นเท้าไปเหยียบเบรกค่อยๆเหยียบนะจนทั่งรถเนี่ย หยุดได้โดยปลอดภัยก็กลายเป็นว่าครอบครัวนี้นี่นะไม่ประสบอันตรายนะทั้งที่คนขับนี่หมดสภาพไปแล้วทำนี้ได้นะุ่ามีสตินะในการที่จะคิดถึงหนทางว่าเออต้องขยับเบาของคนขับนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะถ้ามีสติ หรือถ้าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นถ้าเป็นโจทย์ในกระดาษมาถามเราเราก็อาจจะลองใช้เวลาคิดสักพักก็ จ, จะบอกว่าต้องใช้วิธีนี้แหละขยับบอกคนขับแต่ตอนอยู่ในสถานการณ์นั้นมันนึกไม่ออกนะถ้าไม่มีสตินะแต่ชายคนนี้ก็มีสตินะก็เลยช่วยทําให้สถานการณ์ที่มันวิกฤตินี่มันปลอดภัยได้สตินี่มันจําเป็นนะโดยเฉพาะในยุคนี้ที่เราเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่มัน ทั้งเร็วทั้งแรงเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่เทคโนโลยีที่ประกอบได้วยเครื่องจักรอย่างรถยนต์นะหรือว่าอันตรายอย่างเครื่องไฟฟ้านะไอโทรศัพท์ ม, มือถือเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีที่มันสามารถจะก่ออันตรายได้นะทั้งกับตัวเราเองและกับผู้อื่นนะกดข้อความอย่างไม่มีสติก็สร้างปัญหากับตัวเอง หรือว่ากดลิงก์ที่มีคนส่งข้อความเข้ามาด้วยความกลัวเพราะคนส่งนี้อ้างว่าเป็นตำรวจนะกดเข้าไปอ้าวโดนแฮกข้อมูลนั่นการมีสติสําคัญนะเราต้องพร้อมที่จะผเผชิญกับอุบัติเหตุภายแอนตรังต่างก็ได้นะซึ่งนี่ก็รมไปถึงไฟไหม้นะนี่ไฟไหม้นี่มันเกิดไฟไหม้ตามตึกตามอาคารนี่โอ้ถ้าไม่มีสตินี่ก็ตายกันเยอะนะ ที่ตายกันเยอะเนี่ยส่วนใหญ่เพราะเหยียบกันตายนะไม่ใช่เพราะไฟนะหรือไม่ใช่ไม่ใช่หรือไม่ฉะนั้นก็เพราะวิ่งตามตามกันไปเขาแนะนำนะเวลาไฟไหม้เนี่ยตึกเนี่ยนะอย่าวิ่งตามฝูงชนนะเพราะที่วิ่งตามฝูงชนแล้วเนี่ยอันตรายเพราะฝูงชนที่วิ่งไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาวิ่งไปแล้วไม่เจอประตูเขาจะถอยหลังกลับมาไอเราที่วิ่งอยู่ตามหลังเขาก็จะโดนฝูงชนไอเหยียบเอาก็ต้องดูกันว่าฝูงชนนั้น วิ่งกลับมาหรือวะถ้าไม่วิ่งกลับมาก็แสดงว่าเขาเจอทางออกแล้วก็ตามเข้าไปแต่ถ้าเขายังวิ่งอยู่อย่าไปตามนะแล้วก็อยู่เฉยๆการจัดการก็ยืนอยู่นะติดฟ้าผนังเพราะถ้าเกิดว่าฝูงชนวิ่งกลับมานี่ถ้าเราเดิอนอยู่นะกลางทางเดินนี่เราก็โดนเขาเหยียบได้แต่ถ้าเราอ่านะยืนแอบๆ อ, อยู่ตรงฟ้าผนังตรงกําแพงริมทางเดิน เขาวิ่งกลับมาเราก็รอดพ้นจากการถูกเหยียบได้แต่ถ้าก็ไม่วิ่งกลับมาสามว่าเขาเจอทางแล้วเราก็ากค่อยๆนั้นวิ่งไปทางนั้นนะแต่ธรรมดาเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาเกิดไฟไหม้ไปเนี่ยอดไม่ได้ที่ต้องวิ่งตามฝูงชนนะคือเราเหตุไหนก็เหตุ น, นั้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลเดียวกับารที่มีถ่ยมุงนะเวลามีเหตุแล้วก็มุงกันเข้าไปเวลาไฟไหม้เขาวิ่งไปทางนั้นก็วิ่งไปทางนั้นเหยียบกันตายบ้างละ หรือไม่ฉชนั้นก็ไม่รู้เขาจะพาไปไหนนั่นสติสำคัญมากนะไม่ใช่เฉพาะกับสาหรับการปฏิบัติธรรมสาหรับการพ้นทุกข์แม้กระทั่งการที่จะรักษาช่วยให้รอดปลอดภัยในยุคที่มันอะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนั้ น, นต้องพร้อมที่มีสติอยู่เสมอและสะติมันจะพาให้เกิดปัญญาที่แก้ไขวิกฤตได้